ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยะสังหะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการสนาพระมหาอาคมธรรมมาขโมแปลเรื่องที่เกจีวรวิปะวสะสัวินิชยกถา ก, ากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการอยู่ปราศจากไตรจีวร ก็มาจากนิสสกิยาปฏิตีอัตกะาสิกาขาบทนิสสก ย, ยะปยิตีจิวรวะพข้อที่สองอยู่ปราจากไตรจีวอนสิ้นราตรีหนึ่งป้นนิสสกิยาปจิตีคำว่าจีวเรณวินาวาโสได้แก่การอยู่ปราจากจีวอนสามผืนที่อธิษฐานแล้วด้วยการอธิษฐานเป็นไตรจีวอนผืนใดผืนหนึ่ง จึงอยู่ในบรรดาจีวรสามผืนที่อธิษฐานแล้วอย่างนี้ทิสุอยู่ปราจากแม้ผืนหนึ่งย่อมไม่ควรจีวรเป็นนิสักคีพร้อมกับการขึ้นไปแห่งอรุณแต่ทิสุผู้อยู่ปราจากเพราะฉะนั้นในเวลาอารุณขึ้นทิสุพึงเก็บจีวกรกระทำไว้ในหัตถบาตประมาณสองสอกครึ่งก็คือสองสอกครึบนี่นแหละสองครบเป็นหนึ่งอกนะ ส่วนความแตกต่างนี้เราก็มีความแตกต่างในเรื่องตั้งมาติกาไว้ก็คือในบ้านในเรือนโรงเก็บของป้อมเรือนยอดประสาทเรือนโลนเรือหมู่เกวียนไร่นาลานนวดข้าวสวนวิหารโคนต้นไม้ที่แจ้งก็มีความแตกต่างกันจะมีวิธิใัยดังต่อไปนี้ ทั้งหมดมีสิบห้าเรื่องมาติกาเนี่ยพระราชวังของพระราชาพระองค์หนึง่งหรือบ้านของนายบ้านคนหนึง่งชื่อว่าบ้านเพราะฉะนั้นบ้านในที่นี้หมายถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหรือว่าเป็นวังเลยจะล้อมด้วยกำแพงรัว้วคูอย่างใดอย่างหนึ่งที่สุดจะเก็บจีวรไว้ในบ้านเช่นนี้แล้วให้อรุณขึ้นในที่ตนชอบใจในละแวกบ้านย่อมควร ม น, นก็กว้างขวางพอสมควรเป็นว่าเป็นหมู่บ้านแต่ว่าเป็นเจ้าของเดียวก็มีคนควบคุมดูแลถ้าบ้านไม่มีเครื่องล้อมทิกสุเก็บจีวรไว้ในเรือนหลังใดในบ้านเห็นบ้านนั้นพึ่งอยู่ในเรือนหลังนั้นหรือพึงอยู่ภายในหัตถบ้านสองสอกครึ่งโดยรอบแห่งเรือนนั้นไม่ต้องอยู่ใกล้กับจีวรก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ใกล้เรือนนั้นถ้าเก็บไว้ในเรือนใดก็ต้องอยู่ใกล้เรือนนั้นสองสอกครืบ ของเรือนไม่ใช่ของชีวรถ้าล่วงเลยประมาณนั้นไปแม้ท้าพิจุผู้มีฤทธิ์ยังอรุณให้ตั้งขึ้นในอากาศชีวรก็เป็นนิสักยะทีเดียวอันนี้สําหรับวังหรือว่าบ้านที่เป็นเจ้าของเดียวถ้าพระราชวังของพระราชาต่างพระองค์การหรือว่าของนายบ้านต่างกันเช่นเมืองภัยาลีและเมืองกุณฑินาราเป็นต้นที่มีเครื่องล้อมอ น, นี่หลังเจ้าของเลยนะ เพิกตูเก็บจีวอยไว้ในเรือนหลังใดในบ้านเห็นปานนั้นพึงอยู่ในเรือนนั้นเมื่อเพิกตูไม่อาจอยู่ในเรือนนั้นเพราะเสียงอึกทึกหรือเพราะคนพุกพ่านพึ่งอยู่ในสภาหรือที่ประตูเมืองเมื่อไม่อาจอยู่ในสภาหรือในที่ใกล้ประตูเมืองนั้นพึ่งอยู่ในที่ผาสุขแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วมาในภายในอรุณพึ่งอยู่ในหัตตาบาแห่งสภาและที่ใกล้ประตูเมืองนั้น ส่วนกิจที่พิสุจะพึงอยู่ในหัตถบาทแห่งเรือนหรือว่าแห่งชีวรไม่มีเลยคือไม่ต้องอยู่ในในเรือนหรือว่าหัตถบาทแห่งชีวรก็ได้แต่ว่าต้องมาอยู่ในหัตถบาทของสภาหรือว่าที่ใกล้ประตูเมืองนั้นเพราะว่าบ้านหลายเจ้าของก็จริงแต่ว่ามีเครื่องล้อมถ้าพิสุไม่เก็บไว้ในเรือนไปยังสภาด้วยทาในใจว่าเราจะเก็บไว้ที่สภาพิสุนั้นไปยังสภา พึงเหยียดแขนไปในหัตถบาทคือต้องอยู่ในหัตถบานเก็บจีวรไว้ที่ร้านตลาดบางร้านที่สะดวกต่อการเก็บไว้คืออยู่ในหัตถบานอย่างนี้ว่าเอาเถอะเราจะเก็บจีวร น, นี้ไว้ดังนี้พึงอยู่ที่สภาหรือที่ใกล้ประตูหรือจีวรต้องอยู่กับพิตุในหัตถบาทแห่งสภาและประตูแห่งสภาน้นตามในก่อนนั่นแลถ้าเมืองมีประตูมากและมีสภามาก จะอยู่ในที่ทั่วไปไม่ควรพึ่งอยู่ในหัตถบาทแห่งสภาและประตูซึ่งมีอยู่ในที่ตรงหน้าแห่งถนนที่ตนเก็บจีวรไว้จึงอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นอาจจะทราบความเป็นไปแห่งจีวรได้ก็คือพอจะรู้เรื่องได้ว่ามันจะหายหรือไม่หายหรือว่าใครเอาไปหรือเปล่าแต่เมื่อเพลิกตุไปยังสภาเก็บจีวรไว้ในมือของชาวร้านตลาดคนใดถ้าชาวร้านตลาดคนนั้น ไพ่นำจีวรนั้นไปเก็บไว้ที่เรือนหัตถบาทถนนคุ้มไม่ได้เอาไปเก็บไว้ที่เรือนแล้วก็ต้องตามไปอยู่ใกล้เรือนนั่นแหละภิกษุจะต้องอยู่ในหัตถบาทแห่งเรือนเท่านั้นถ้าเรือนใหญ่ตั้งแพ่ครอบไปตลอดสองถนนภิกษุฝึกให้อารุณตั้งขึ้นเฉพาะในหัตถบาททางข้างหน้าหรือว่าทางข้างหลังแห่งเรือนนั้นแต่ภิกษุเก็บจีวรไว้ในสภาสฝ่งให้อารุณขึ้นในสภา หรือที่ใกล้ประตูเมืองตรงหน้าสภานั้นหรือว่าในหัตถบานแห่งสภาหรือที่ใกล้ประตูเมืองนั่นแหลก็ไม่ต้องไปอยู่ในหัตถบานของจีวร น, นะแต่อยู่ในหัตถบานแห่งสภาหรือว่าที่ใกล้ประตูเมืองนั้นอันนี้ก็เป็นบ้านที่เป็นหมู่บ้านนะนะถ้าเรือนของสกุลเดียวอันนี้พูดถึงเรือนแล้วมีเจ้าของเดียวและมีเครื่องล้อมมีห้องเล็กห้องน้อยต่างๆ ทิษุเก็บจีวรไว้ในเรือนต้องอยู่ภายในเรือนถ้าเป็นเรือนที่ไม่มีเครื่องล้อมทิษุเก็บจีวรไว้ในเรือนห้องใดต้องอยู่ในห้องนั้นหรือในหัตถบาทของห้องถ้าเรือนต่างสกุลและมีเครื่องล้อมมีห้องเล็กห้องน้อยต่างๆทิษุเก็บจีวรไว้ในห้องใดต้องอยู่ในห้องนั้นหรือพึ่งอยู่ในหัตถบัดแห่งห้องใกล้ประตูเรือนที่สาธารณะแก่ชนทั้งปวง หรือแห่งที่ใกล้ประตูเรือนถ้าเรือนไม่มีเครื่องล้อมพิสูจเก็บจีวรไว้ในห้องใดพึงอยู่ในห้องนั้นถือว่าในหัตถบาตรแห่งห้องเครื่องล้อมเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันถ้ามีเครื่องล้อมทั้งหมดก็อยู่ในเรือนนั้นอยู่ใกล้เรือนนั้นได้เลยถ้าไม่มีเครื่องล้อมต้องอยู่ใกล้อยู่ในห้องนั้นแือว่าอยู่ในหัตถบาตรของห้องนั้นแทบลงไปอีกกันถ้า ม, มีเครื่องล้อมแม้ในโรงเก็บของป้อม เรือนยอดเดียวปราสาทเรือนโล้นก็พึงสร้างวินิจฉัยโดยนายที่กล่าวแล้วในเปือดนั่นแหลก็ต้องพิจารณาถึงว่าในเรือนในหมู่บ้านหรือว่าในโรงในป้อมปราสาทต่างๆนั่นนะเป็นของหลายเจ้าของหรือว่าเจ้าของเดียวแล้วก็มีเครื่องล้อมหรือว่าไม่มีเครื่องล้อมอันนี้เป็นส่วนการวิจัยว่าจะต้องอยู่ตรงไหนถ้าเป็นเรืองของสกุลเดียวมีอยู่ พิสูจน์เก็บจีวรไว้ในภายในเรือต้องอยู่ภายในเรือถ้าเรือของต่างสกุลคือมีหลายเจ้าของเนี่ยมีห้องเล็กห้องน้อยต่างๆพิสูจน์เก็บจีวรไว้ในห้องใดต้องอยู่ในห้องนั้นหรือไม่ละหัตบาบะจากห้องนั้นก็ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นเจ้าของเดียวเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ได้ภายในเรือก็ได้ดีกี่ร้อยห้องก็อยู่ในเรือก็ใช้ได้นะถ้าเป็นเจ้าของเดียว แต่ถ้าเป็นหลายเจ้าของอัเนี้ยจีวรอยู่ในห้องใดต้องอยู่ในห้องนั้นหรือว่าอยู่ในหัตถบ่าของห้องถ้าเป็นหมู่เกวียนของสกุลเดียวมีอยู่ติดตู้เก็บจีวรไว้ในหมู่เกวียนนั้นไม่พึงละอับพันดรด้านหน้าหรือว่าด้านหลังด้านละเจ็ดอับพันดร อ, อับพันดรนหนึ่งก็ยี่สิบปดตอเท่ากับสิบสี่เมตรเพราะฉะนั้นเจดอับพันดรก็เก้าสิบแปดเมตรเก้าสิบแปดเมตรเกือบรอยเมตรเลยนะ ไม่พึงละอัพพันดอนด้านด้านข้างหน้าละหนึ่งอัพพันดอนหนึ่งอัพพันดอนเป็นยี่สิบแปดสอกถ้าหมู่เกวียนของต่างสกุลมีอยู่ภพิกษุนยเก็บจีวรไว้ในหมู่เกวียนพึงอยู่ในหัตบาทแห่งจีวรถ้าหมู่เกวียนไปหยุดพักรวมหมู่บ้านหรือแม่น้ำเรื่องเป็นอันเดียวกันกันกบหมู่เกวียนที่เข้าไปภายใน กระจายอยู่ตลอดไปทั้งฝั่งในทั้งฝั่งนอกย่อมได้บริหารว่าหมู่เกวียนแท้ถ้าหมู่เกวียนยังเนื่องกันอยู่ที่บ้านหรือว่าที่แม่น้ําหมู่เกวียนที่เข้าไปภายในแล้วย่อมได้บริหารว่าบ้านก็คือกลายเป็นหมู่บ้านไปถ้าเข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะมันก็กลายเป็นหมู่บ้านดังนก็ได้สิทธิในการอยู่ปราศจากวิ่งกว่านั้นเราต้องมาพิจารณาว่าบ้านมีรั้วร้อมหรือว่าไม่มีรั้วร้อมเป็นของเจ้าของเดียวหรือว่าเป็นหลายเจ้าของ ถ้าหมู่เกวียนที่เข้าไปภายในบ้านนั้นแล้วย่ได้บริหารว่าบ้านและบริหารว่าแม่น้ําถ้าเข้าไปในแม่น้ <us> ําถ้าหมู่เกวียนพักอยู่เลยวิหารสีมาไปจีวร อ, อยู่ภายในสีมาเพิ่งไปวิหารแล้วอยู่ภายในสีมานั้นถ้าจี ว, วรอยู่ภายนอกสีมาเ พ, พิ่งอยู่ในที่ใกล้หมู่เกวียนนั้นแหลถ้าเข้าไปในสีมาซึ่งเป็นสมมติติดกิราวิปปวานด้วยนะตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ได้เลย ไม่มีปัญหาถ้าหมูเกวียนกำลังเดินทางเมื่อเกวียนหักหรือว่าโคหายย่อมขาดกันในระหว่างจีวรที่เก็บไว้ในส่วนไหนพึงอยู่ในส่วนนั้นต่อไปก็เป็นเรื่องนาสร้างนาของสกุลเดียวมีเครื่องล้อมที่สุเก็บจีวรไว้ในภายในนาพึ่งอยู่ภายในนาถ้านาไม่มีเครื่องล้อมพึงอยู่ในหัตถบาดแห่งจีวร ถ้าเกิดเป็นนาของเจ้าของเดียวนะแล้วก็มีเครื่องล้อมด้วยเจ้าจีวรตั้งไว้ตรงไหนแล้วก็อยู่ภายในนานั้นน่ะกี่สิบไร่กี่เขาไร่ก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดนานั้นไม่มีเครื่องล้อมอันนี้ต้องอยู่ในหัตถบาทของจีวรแต่ถ้านาของต่างสกุลมีเครื่องล้อมที่สุเก็บจีวรไว้ภายในนาเพิ่งอยู่ที่ใกล้ประตูหรืออยู่ในหัตถบานแห่งประตูประตูที่มีเครื่องล้อมนั่นแหละ ถ้านาไม่ได้ล้อมพึงอยู่ในหัตบาบแห่งจีวรต่อไปเป็นลา น, นวดข้าวถ้าลา น, นวดข้าวของสปุลเดียวมีเครื่องล้อม พ, rain, นนพี่ตุกเก็บจีวรไว้ภายในลานนวดข้าวพึงอยู่ในภายในลานนวดข้าวถ้าลานวดข้าวไม่มีเครื่องล้อมพึงอยู่ในหัตบาบแห่งชีวรถ้าลา น, นวดข้าวของต่างสกุลคือมีหลาเจ้าของแล้วก็มีเครื่องล้อม ติ๊กตุกเก็บจีวรไว้ภายในลานนวดข้าวพึงอยู่ที่ใกล้ประตูหรืออยู่ภายในหัตถบาทแห่งประตูถ้าลานนวดข้าวไม่ได้ล้อมพึงอยู่ในหัตถบาทแห่งจีวรแม้ในสวนดอกไม้ในสวนผลไม้ก็พึงทราบวินิจัยตามนายที่กล่าวในนานั่นแหลต่อไปเป็นวิหารถ้าวิหารของสกุลเดียวมีเครื่องล้อมติ๊กตุกเก็บจีวรไว้ในวิหารพึงอยู่ในภายในวิหาร ถ้าวิหารไม่ได้ล้อมปิกสุเก็บจีวรไว้ในวิหารหลังใดซึ่องอยู่ในวิหารนั้นหรือในหัตถบาทแทงวิหารนั้นสามารถออกมานอกวิหารได้แต่ว่าต้องอยู่ในหัตถบาทของวิหารนะต่อไปเป็นเรื่องของโคนไม้ถ้าโคนไม้ของสุกุลเดียวมีอยู่ปิ๊กสุกเก็บจีวรไว้ในภายในเงาที่แผ่ไปโดยรอบในตอนเที่ยงวันเพ่องอยู่ภายในเงา แต่จีวรที่พิษุเก็บไว้ในโอกาสที่แดดออกแห่งต้นไม้มีกิ่งโปรงเป็นนิสักยาปฏิตีถ้ากิ่งโปรงต้องกิ่งทึบเพราะฉะนั้นพิกษุพึงเก็บจีวรที่เงาแห่งกิ่งไม้หรือที่เงาแห่งลำต้นของต้นไม้เช่นนั้นถ้าจะเก็บไว้บนกิ่งหรือว่าบนคาคบพึงวางไว้ในโอกาสที่เงาแห่งกิ่งไม้อื่นข้างบนแผ่ไปถึงเท่านั้น เงาของต้นไม้เตี้ยย่อมแผ่ทอดไปไกลที่สุดเก็บจีวรไว้ในโอกาสที่เงาแผ่ไปถึงจึงควรถ้าโคนต้นไม้ของต่างสกุลมีอยู่เพิ่งอยู่ในหัตถบาตแห่งจีวรนั้นต้องเป็นสกุลเดียวนะก็เก็บจีวรไว้ในที่เงาเนี่ยแผ่ไปถึงในตอนเที่ยงวันได้ไม่ต้องอยู่ในหัตถบาทแต่ว่าจะต้องเป็นเงาทึบถ้าเป็นเงาปโปร่งนี่ก็มีอบับ ต่อไปเป็นที่แจ้งส่วนในที่แจ้งที่สุเก็บจีวรไว้ในป่าที่หาบ้านม่ได้เพิ่งอยู่ในภายในเจ็ดอพันธ์ดรนไม่ต้องอยู่ในฮาดบาศโดยรอบแห่งจีวรนั้นป่าที่ชื่อว่าหาบ้านม่ได้ย่อมได้ในป่าวิชาตวีคือป่าดงดิบเป็นต้นหรือบนหมู่เกาะซึ่งไม่เป็นทางเที่ยวไปของชนชาประมงในท่ามกลางมหาสมุทร กำหนดเจ็ดอพันดอนโดยรอบแห่งพิสุผู้ยืนในท่ามกลางในป่าเช่นนั้นรวมเป็นสิบสี่อพันดอนโดยทะแยงก็คือร้อยเก้าสิบหกเมตรนั่นเองพิกสุนั่งอยู่ตรงกลางย่อมรักษาจีวรที่เก็บไว้ในที่สุดแห่งทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกแต่ถ้าว่าพิกษุเดินไปทิศตะวันออกแม้เพียงเส้นผมเดียวในเวลาอารุณขึ้นจีวรในทิศตะวันตกก็เป็นนิสกี นาจีวรที่ตนออกนอกนี้ก็ในนี้เหมือนกันอันหนึ่งพิกจุยังไม่สละจีวรที่เป็นนิสสคีแล้วใช้สอยย่อมต้องอาบัดทุกกฎถ้าพิกจุผู้ประกอบความเพียรบำเพ็ญตลอดคืนยังรุ่งใส่ใจว่าเราจักสงน้ําในเวลาใกล้รุ่งจึงออกไปวางจีวรทั้งสามผืนไว้ที่ฝั่งแม่น้ําแล้วลงสู่แม่น้ําและเมื่อเธออาบอยู่นั่นเองอรุณขึ้น เธอพึงกระทําอย่างไรด้วยว่าถ้าเธอขึ้นมาแล้วนุ่งห่มจีวรย่อมต้องทุกข์กดเพราะไม่เสียสละกจีวรที่เป็นนิสสกีแล้วใช้สอยเป็นปัจจัยเพราะว่าตอนที่อรุณยังไม่ขึ้นนี่ก็เอาจีวรสามผืนพ้าเอาไว้วางเอาไว้แล้วก็ลงไปในน้ําโปะแต่ผ้าลงไปเนี่ยนะก็อยู่ห่างหัตถบาทนั้นพออาบเสร็จอรุณขึ้นมาก็เป็นนิสสกียะปฏิจิตีแล้ว ก็ต้องอาบัตจีวรสารผืนก็ต้องอาบัตนิสกีสารตัวแล้วก็ต้องสนะ ด, ด้วยแต่ว่าถ้าโปขึ้นมาเนี่ยนะเปลือยกายมีอาบัตได้เหมือนกันถ้าเธอเปลือยกายไปแม้ด้วยการเปลือยกายไปอย่างนั้นก็ต้องทุกกฎเอาอยัางไงดีต้องอาบัตนิสกีแล้วถ้าเอาจีวรนั้นมานุ่งหม่มก็ต้องอาบัตทุกกฎถ้าเปลือยกายไปก็ต้องอาบัตทุกกฎเหมือนกัน มีคำเฉลยว่าตอบว่าเธอไม่ต้องอาบัติเพราะว่าเธอตั้งอยู่ในฐานแห่งพิจตุผู้มีจีวรหายเพราะจีวรเหล่านั้นเป็นของไม่ควรบริโภคตราบเท่าที่ยังไม่พบพิจต ร, รูปอื่นแล้วกระทําวินัยกรรมอันมีจีวรอยู่แต่ว่จีวรนั้นก็เป็นนิสสคีเอามานุ่งหงไม่ได้แต่ว่าตัวเองก็โปเพราะฉะนั้นถ้าโปไปผู้ทศเจ้าเนี่ยกับอาบัติทุกกด นั่นก็เหมือนกับผู้ที่ไม่มีจีวรเมื่อไม่มีจีวรก็จะต้องแสวงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเอาใบ ไ, ไม้หรือว่าจีวรที่ไหนก็แล้วแต่เป็นสีอะไรก็แล้วแต่อ น, นจีวรที่เป็นอกตัญญะจีวรที่ยังไม่ได้ทําวินญากรรมเนี่ยก็เหมาะสมในการที่จะใช้ได้เหมือนกันเพราว่าตั้งอยู่ในฐานะของผู้มีจีวรหายและชื่อว่าสิ่งที่ไม่สมควรแกร่เพุผู้มีจีวรหายนั้นไม่มี เพราะฉะนั้นเธอพึงนุ่งผ <Yeah, S 1> <for us. S 2> ืนหนึ่งเอามือถือสองผืนไปตูวิหารแล้วกระทําวินัยกรรมก็ไม่ต้องหอมนะถือสองผืนไปนุ่งผืนหนึ่งแล้วก็ถือสองผืนไปถ้าว่าวิหารอยู่ไกลในระหว่างทางมีพวกชาวบ้านสัญจรไปมาเธอพบพวกชาวบ้านเหล่านั้นพึงนุ่งผืนหนึ่งแล้วก็หอมผืนหนึ่งถ้าเจอพวกชาวบ้านทั้งหลายก็เอาจีวรผืนหนึ่งมาหอม วางผืนหนึ่งไว้บนจงอยบ้านแล้วก็พึงเดินไปถ้าหากไม่พบพิจูตี่ชอบพอกันในวิหารพิจูตทั้งหลายไปเที่ยวพิจฉาจารย์เสียเธอพึงวางผ้าสังฆิไว้ในภายนอกบ้านไปสู่โรงฉันด้วยผ้าอุตตราสอ์และอันตรวาสตกแล้วกระทําวิเนกรรมถ้าในภายนอกบ้านมีโจตภยัยพึงโหมสังฆิไปด้วยถ้าโรงฉันคับแคบมีคนทุกท่าน เธอไม่อาจเลือมจีวอนออกเทอมิในกรรมในด้านหนึ่งได้พึงพาพิจูตรูปหนึ่งไปนอกบ้านกระทําวิเนกรรมแล้วใช้ใสจีวอทั้งหลายเถิดถ้าพิกูุรทั้งหลายผู้เป็นเถ ร, ระให้บานใสจีวอไว้ในมือแห่งพิกูุหนุ่มทั้งหลายกําลังเดินทางไปมีความประสงค์จะนอนพักในปัจฉิมยามพึงกระทําจีวรของตนของตนไว้ในหัตถบารก่อนแล้วจึงนอน ถ้าเมื่อพวกพิกษุนุ่มมาไม่ทันอรุณขึ้นไปแก่พระเทพระตน์ทั้งหลายผู้กําลังเดินไปนั่นและชีวรย่อมเป็นนิสสกีส่วนนิสัยไม่ระ ง, งับถ้าพิกจุนุ่มมาไม่ทันชีวอนก็เป็นนิสสกีอาปิตีถ้าอารุณขึ้นแต่วั น, นิสัยไม่ระ ง, งับเพราะว่าพิกจุนณมนั้นยังมีความตั้งใจในการที่จะตามมาให้ทันเมื่อพวกพิจุนุ่มเดินล่วงหน้าไปก่อนก็ดีพระเทพรัตน์ทั้งหลายเดินตามไม่ทันก็ดีก็มีในยอย่างนี้เหมือนกัน ก็ยังมีอุสาหะในการนี้ตามไปให้ทันแม้เมื่อพิจูตตั้งหลายพลัดทางไม่เห็นกันและกันในป่าก็มีอย่างนี้เหมือนกันก็ถ้าพวกพิจูนุ่มเรียนว่าท่านขอรับพวกกระผมจักนอนพักสักครู่หนึ่งแล้วจักตามไปให้ทันพวกท่านในโอกาสชื่อนวนดังนี้แล้วนอนอยู่จนอรุณขึ้นจีวรก็เป็นนิสสกีด้วยนิสัยก็ระงับด้วยเพราะว่าไม่มีอุสาหะอุสาหะในการจะนอนก่อน แม้เมื่อพระเทเระทั้งหลายส่งพวกพิกจูนมไปก่อนแล้วนอนก็มีในอย่างนี้เหมือนกันพบทางสองแง่งพระเทเระทั้งหลายบอกว่าทางนี้พวกพิกจูนุมเรียนว่าทางนี้ไม่เชื่อถือในคําของกันและกันไปเสียคือแยกทางกันไปพร้อมกับอรณุณขึ้นจีวอทั้งหลายเป็นนิสสกีด้วยแล้วก็นิสัยก็ย่อมระงับด้วยผู้ที่ยังถือนิสัยจากอุปชาหรืออาจารย์เนี่ยนะ ถ้าพวกพิษณุนมแวะออกจากทางกล่าวว่าพวกเราจะกลับมาให้ทันภายในอรุณทีเดียวแล้วเข้าไปอย่างบ้านเพื่อต้องการเภสัชกำลังเดินมาอยู่อรุณขึ้นไปแก่พวกเธอผู้ ก, กลับมายังไม่ทันถึงนั่นเองจวนทั้งหลายเป็นนสิสสกีแต่ว่านิสัยไม่ระงับก็ถ้าว่าพวกเธอกล่าวว่าพวกเรายืนสักครู่หนึ่งแล้วจัดไปแล้วยืนหรือนั่งเพราะกลัวแม่โคนมคือโคแม่ลูกออดเลยนะ แม่โคที่ยังมีรูปอ่อนๆรออนหรือพระกลัวสุนัขแล้วจึงเดินไปเมื่ออรุณขึ้นในระหว่างทางชีวรทั้งหลายก็เป็นนิสกีด้วยแล้วก็นิสัยก็ระนับด้วยถ้าเมื่อพิจูดทั้งหลายเมื่ออาจารย์และอันเทวศิก์เข้าไปสู่บ้านภายในถีมาด้วยใส่ใจว่าเราจักมาในภายในอรุณขึ้นนั่นเทียวอรุณขึ้นในระหว่างทางชีวรทั้งหลายไม่เป็นนิสกีแต่ว่าอยู่ใน สีมาแล้วได้รับการสมมติจีวราวิปปะว่าไม่อยู่ปราจากใจจีวรชีวอนทั้งหลายก็ไม่เป็นนิสกีแล้วก็นิสัยก็ไม่ระงรับด้วยเพราะว่าเข้ามาในสีมาทันก็ถ้าว่าพิกตุทั้งหลายนั่งอยู่ด้วยใส่ใจว่าราตรีสว่างก่อนไข่ไปแม้เมื่ออรณุณขึ้นแล้วจีวรไม่เป็นนิสกีแต่นิสัยย่อมระงรับเพราะว่า เข้าไปถู่บ้านแต่ว่าภายในสีมาก็พิสูจน์าดาายมีความอุตสาหะเข้าไปถู่วิหารใกล้ๆเพื่อฟังธรรมโดยคิดว่าเราจากมาในภายในอรุณนั่นแลอรุณตั้งขึ้นในระหว่างทางนั้นเองแก่พวกเธอจีวรเป็นนิสกีแต่นิสัยไม่ระงับเพราะว่ายังตั้งใจที่จะมาถ้าพิสูจน์นั่งอยู่โดยคิดว่าเราฟังธรรมจนจบก่อนค่อยไปด้วยความเคารพในธรรม จีวรเป็นนิสกีพร้อมกับอรณุณขึ้นนิสัยก็ระงับด้วยพระเถระเมื่อจะส่งพิสุนมุมไปสู่ระแวกบ้านเพื่อต้องการซักจีวรพึงปัจจุดถอก็คือถอนจีวรของตอนก่อนแล้วจึงให้ไปแม้จีวรของพิสุนมุมก็พึงให้ปัจจุดถอแล้วเก็บไว้ถ้าพิสุนมุมไปด้วยไม่มีสติพระเถระพึงถอนจีวรของตอนแล้วให้ถือเอาจีวรของพิสุนมุมด้วยวิสาสะแล้วพึงเก็บไว้ แล้วก็ถอนนอกขัตบานได้นี่นะนั้นจีวรอยู่กับลูกศิษย์ก็ตามก็ถอนขราพเจ้าถอนจีวอนผืนนั้นจีวรนของพิสุนุ่มก็วิสาสะได้เลยวิสาสะว่าเอาเราวิสาสะจีวรนผืนนี้นะนั้นจีวอของพิสุนุ่มนี้ก็ขาดอธิษฐานไปพิสุนุ่มนั้นก็ไม่ต้องอบัตินิสกิยาปจิตีอันนี้ก็เป็นอุบายในการที่จะทำให้ค้นจะอบัติดังนั้นเราก็สามารถที่จะทําให้คนอื่นพ้นจากอบัติได้เหมือนกันถ้าเขาลืมจีวรลืมอะไรต่างๆไว้เนี่ยนะ พระเถระระลึกไม่ได้แต่พิกสุนุ่มระลึกได้ให้พิกสุหนุ่มพึงถอนจีวรของตนเองที่ฝากไว้กับพระเถระแล้วถือเอาจีวรของพระเถระด้วยวิสาสะแล้วไปเรียนว่าท่านขอรับท่านจงอธิษฐานจีวรของท่านเสร็จแล้วใช้สอยเถิดเวลาที่ยอมจีวรเสร็จแล้วก็เอากลับมาให้ท่านก็บอกว่าให้ฐานใหม่จีวรของตนเธอก็พึงอธิษฐานเพราะว่าถอนไปแล้ว แม้ด้วยความระดึกได้ขอมพิสูจน์รูปหนึ่งอย่างนี้ก็ย่อมพ้นจากอาบัตใต้แลอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอยุดการจากไตรจีวร อ, อั น, นก็สรุปว่าสถานที่สกุลเดียวก็คือมีเจ้าของเดียวเนี่ยมีเครื่องล้อมด้วยจะเก็บจีวรไว้ในสถานที่นั้นแล้วเช่นหมู่บ้านหรือว่าเรือนนาวิหารต่างๆเนี่ยให้อารุณขึ้นในบริเวณนั้นเนี่ยไม่ต้องอยู่ในฮาตะบาดเลย อยู่ในหมู่บ้านนั้นแต่ว่าอยู่ในวิหารนั้นอยู่ในสกุลนั้นเนี่ยนะได้ ถ, bright. ถ้าต่างสกุลเนี่ยแต่ว่าเป็นของมีหลายเจ้าของถ้ามีเครื่องล้อมจะอยู่ในหัตถบาทแห่งสภาหรือว่าที่ประตูเมืองไม่จำต้องอยู่ในหัตถบาทแห่งเรือทนที่เกจีวรนหรือว่าหัตถบาทแห่งชีวรนถ้ายังมีเครื่องล้อมอยู่ใกล้ประตูเครื่องล้อมนั้นได้ถ้าไม่มีเครื่องล้อม จะเป็นสกุลเดียวหรือว่าหลายสกุลเกจีวอนไว้ในเรือในใดพึงอยู่ในเรือนนั้นหรือว่าในหัตถบารแห่งเรือนนั้นก็ได้ถ้ามิหนีเครื่องล้อมต้องอยู่ในเรือนอยู่ในห้องนั้นอันนี้ก็คาถาวินิจฉัยเรื่องการอยู่การาดจากไตรจีวรในบาลีมุตตะวินยะวินิจฉัยสังฆะจบสาธุสาธุสา ธ, สาธุขอให้ท่านเป็นผู้ที่รักษาพระวินัยและทรงพระวินยัยเป็นปัจจัยในการบรรลุมรรผลนิพพานเปิดยผ่านีเาน้เถิด